سبحانكلا إِنَّ مَلَنَا إِلاَّ مَعْلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَتُبْعَلِينَا إِنَّكَ أَنْتَ ا ل, ل إ إن أن ط َّ و َ ا ข้าสนสุขควัมเมตตาและความจำเราะล้อจงประสกท่าสนใจมาก ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องที่ดึงดูดแล้วก็น่าชวนติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากอัลลอ์สุบฮานะฮัตตะลาได้เล่าด้วยกับพระองค์เองแม้ว่าสุร้อนนี้จะถูกะะคือเป็นเป็นสุร้อที่อัลลอฮ์ประทานลงมาทั้งสุระอนนะครับที่รวดเดียวและก็เป็นกำลังใจให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลฮวเลวัสลัมเนื่องจากว่าท่านนาบีได้ พบกับอุปสรรคต่างๆในการด้าวะและตัวนบียูซุฟอะลัยอุสลามเองเนี่ยก็ชีวิตของท่านก็มีอุปสรรคดังนั้นธรรมชาติเหมือนกับเลากำลังจะบอกว่าธรรมชาติของคนเนี่ยก็ต้องมีบททดสอบทั้งสิน้นทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่คนดีจะมีบททดสอบที่มีความใกล้เคียงกันโดยเฉพาะนาบียูซุฟกับนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยอุสลาห์เนี่ยมีหลายบททดสอบที่มีความเหมือนกันนั่นก็คือส่วนหนึ่งนะฮะ คือการที่ถูกอิจฉาจากบรรดาพี่ๆหรือจากบรรดาเครือญาติญาติพี่น้องส่วนวิธีการแก้ปัญหาของตัวนบีอูซุฟอะลัยสลามและท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะสซัมเนี่ยคือการไม่อิจฉาหรือการให้อภัยแล้วนี่คือปัจจัยที่ทําให้นบีสองท่านนี้ประสบความสําเร็จอย่างนาบีอูซุฟอะลัยสลามเนี่ยถูกกดขี่ถูกการแกล้งจากพี่ๆถูกวางแผนจัดการ ทำไม่ดีทุกวิถีทางเพื่อให้ท่านเนี่ยออกห่างไกลจากคุณพ่อนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะเวะสลัม่เช่นเดียวกันถูกวางแผนจัดการขับไล่หรือว่าต้องการจะเข็นฆ่ากรณีคล้ายคลึงกันมากนะครับนั้นอัลลอฮ์จึงประทานอายะในสุรยุซุฟต่างๆอายะต่างๆลงมาในสุรนี้เนี่ยเพื่อเป็นการจะลงใจปลอบใจให้กับท่านนบีสอลลัลฮะวะลัมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีบทเรียนมากมาย ในมุมต่างๆนะครับที่ผมได้เคยนำเสนอไปแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือความสำเร็จคนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือต้องไม่อิจฉาริษยขาขจัดความอิจฉาริษยาออกไปจากหัวใจเหมือนกับที่นบีอูซุฟมีแม้เป็นฝ่ายที่ถูกกลั่นแกล้งถูกทำร้ายก็ตามแต่เมื่อท่านมีโอกาสที่จะแก้แค้นหรือเอาคืนท่านให้อภยัย วันที่น บ, บิยูซุฟได้อำนาจปกครองและพี่ๆเนี่ยต้องมาขอความช่วยเหลือจากท่านท่านมอบความช่วยเหลือและไม่ถือโทษกับพี่ๆอันนี้เป็นปัจจัยที่บง่งบอกถึงความสําเร็จของน บ, บิยูซุฟตําแหน่งวาสนาที่เลาะให้เนี่ยอยู่ในระดับที่สูงอันนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญเนื่องจากท่านไม่โกรธแค้นเช่นเดียวกับท่านนาบีมุฮัมมัมดสุลาลัลฮุอะเลวุสัลลัมชีวิตที่ท่านประสบความสําเร็จเนี่ยท่านเคยใช้ คำพูดของนบีอูซุฟพูดกับชาวกูเรชถามพวกเขาในวันที่ท่านนาบีพิชิตมักกาวันที่ท่านนาบีออกจากมักกาเนี่ยถูกขับไล่ออกหนีออกไปว่าง่ายๆไม่สามารถจะเปิดเผยตัวเองได้ขณะที่วันที่ท่านนาบีมีพิชิตมักกาแล้วเนี่ยครอบครองมักกาเบดเสร็จเรียกชาวกูเรชมาอยู่ต่อหน้าแล้วก็ถามพวกท่านคิดว่าฉันจะทําอะไรกับพวกท่านพวกเขาไดบตอบคอยรอนต้องเป็นสิ่งดีแน่นอน อะคุณกะรีมวับนุอะคินกะรีมท่านเป็นคนใจบุญเป็นคนดีและเป็นลูกของคนดีนาบีก็บอกประโยชน์เด็ดว่าฉันจะข อ, อกล่าวเหมือนกับที่ยูซุฟกล่าวกับพี่น้องของเขาเและตรีบาราเลกุมุลเยาวไม่ถือโทษกับพวกท่านอิสฮาบูจงไปเถิดฟอันตูมุตตุละกอพวกท่านเป็นอิสระแล้วนี่คือสองบุคคลที่ประสบความสำเร็จจุดสาคัญก็คือ ไม่อิจฉาลิสยาอิบลิสตรงกันข้ามนะฮะอิจฉาลิสยานาบีอาดัมอะลสสลามและมนุษยชาติเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้เขาล้มเหลวในชีวิตดังนั้นการศึกษาอันกราณในวันนี้เนี่ยหรือว่าในครั้งใดก็ตามนะครับจะจะศึกษาบนพื้นฐานของการถอดบทเรียนแล้วดูว่าเคล็ดลับของบรรดาบุคคลที่ประสบความสาเร็จทเทเลทเทิรดทูลเนี่ยเราจะสามารถนามาปฏิบัติส่วนใดบ้าง และความสุขที่แท้จริงเนี่ยอยู่ในบุคลิกของบุคคลเหล่านี้แม้บททดสอบจะเกิดขึ้นก็ตามมากมายในชีวิตของนบียูซุฟนะครับที่เราจะศึกษาต่อไปเนี่ยแต่ว่าท่านอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดแล้วท่านเป็นบุคคลที่รู้จักมองโลกรู้จักการปฏิบัติตัวในการดําเนินชีวิตยอย่างดีนะครับนอกจากนั้นแล้วการศึกษาในสุร ย, ยูซุฟนี้เนี่ยทำให้เราที่ผมได้พูดหลายครั้งว่าทําให้เรารู้จักบันิสรออินเป็นอย่างดีถ้าใครต้องการรู้จักชาวยูว ในปัจจุบันนี้หรือแม้แต่คริสเตียนเองต้นตระกูลของพวกเขาเนี่ยก็คือในซุลยูซุฟเต็มๆเลยนะฮะอิสราอินี่คือนบีอะกูบบันีแปลว่าลูกหลานหรือว่าบานูบันีอิสราอินก็คือบรรดาลูกหลานของนบีอะกูบและใครครับก็คือพี่น้องนบียุซุฟทั้งหมดดังนั้นโครงสร้างที่เราจะศึกษาเนี่ยจะได้เข้าใจโลกนี้ได้ดีขึ้นรู้อุปนิสัยของ บันิอิสรออลรู้ว่านิสัยเป็นอย่างไรแล้วก็มีจิตใจอย่างไรอิชายาส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็มีคนดีไหมมีคนดีอย่างนบีอูซุฟก็เป็นหนึ่งในบันิอิสรออลนะฮะแต่ว่าเราจะดูและศึกษาลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรและความฉลาดการต่อรองอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นมากมายจากเรื่องราวเหล่านี้นะครับดังนั้นก็จะเป็นประโยชน์ในปัจจุบันเช่นกันการมองโลกเขาบอกว่า ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้จักการเมืองในปัจจุบันการเมืองหรือโลกจเจรินไปอย่างไรเนี่ยมันปกติะฮะโลกนี้เนี่ยโลกเดิมอยู่บนกฎธรรมชาติเดิมมนุษย์ก็มีจิตใจเหมือนกับคนยุคก่อนแล้วก็ตระกูลเนี่ยท่าพี่น้องสังเกตนะฮะการศึกษาสายตระกูลเนี่ยตระกูลนี้เราก็พอที่จะรู้หรือคนประเทศนี้เนี่ยเราพอจะรู้จักว่าอุปนิสยัยลักษณะของพวกเขาเนี่ยเป็นอย่างไรคําถามอย่างเช่นทําไมบนันิสรออีนอเลาะกล่าวถึงในคุตาเนื้อ เนื่องจากบนันิอิสราเอลเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทในปัจจุบันนี้และในสมัยก่อนเช่นกันทําไมเาลาถึงกล่าวเยอะและกล่าวถึงน บ, บีมูซาควบคู่กันเพราะน บ, บีมูซาเป็นหมู่คนที่สามารถจัดการบนรันิอิสราเอลได้อย่างอยู่หมัดพี่น้องเห็นภาพนะฮะเมื่อน บ, บีมูซาเนี่ยตอนแม้แต่น บ, บีฮะรุนอะลัยอิสลามช่วงที่น บ, บีมูซาไม่อยู่ไปรับบัญญัติสิประการเขขึ้นไปข้างบนนะฮะและกลับมาเนี่ยปรากฏว่า บันิอิสราอิเนี่ยไปเคารพรูปบัวปั้นเอาทองอะไรต่างๆไปสร้างเป็นรูปบัวปั้นเป็นต้นแสดงว่าบุคลิกแบบนบีมูซาเนี่ยบุคลิกต้นแบบที่เราจะต้องดูนบีมูซาจัดการหรืออยู่กับบันิอิสราอิเนี่ยอย่างไรเนี่ยน่าสนใจมากนะครับในวันนี้เราจะศึกษาต่อเนื่องนะครับอินชอนเลาะในอายะที่11เป็นต้นไปประมาณ 5-6 อายะหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับอินชอนเลาะทัวเล็กน้อย ตอนนู้นเนี่ยเราได้พูดถึงการประชุมของบรรดาพี่น้องนบิวซุฟในภาษาอาหรับเรียกว่าเรียกประชุมได้นะฮะเรียกว่านาจวานาจวาเนี่ยแปลว่าการกระซิบกระซาบจะเป็นความหมายเชิงไม่ดีเชิงลบเพราะเราบอกอินนามันาจุอามินัชชัยตอลียะฮุนัลลาดีนาอามานูแท้จริงนาจุา เดี๋ยวไตรงกับชื่อใครนะมีมีความหมายอาจจะมีความหมายอื่นด้วยนะฮะแต่ความหมายหนึ่งก็คือการากาซิบกระซาบวางแผนทําในสิ่งที่ไม่ดีอันนี้คือความหมายของนัจวากเราบอกว่านัจวาเนี่ยมีนัชชยตอนมาจากชยัยตอนเพื่อต้องการที่จะให้บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเสียใจจากนั้นบางทีการประชุมการพูดคุยกันนินทาคนอื่น <c oughs> หรือบางทีเป็นการใส่ร้ายการเพิ่มเรื่องเนี่ย เป็นสิ่งที่ไม่ดีจําเป็นที่เราจะต้องออกห่างนะครับอัลลอฮฺสุบฮานอหัวตาลาหลังจากที่พระองค์ได้เล่าการกระซิบกระซาบของพี่น้องนบิยูซุปเนี่ยต้องการจะเข็นฆ่านาบิยูซุปเริ่มคนนึงบอกว่าออยูซุปเนี่ยและน้องชายของเขาเป็นที่รักของคุณพ่อมากกว่าพวกเราทั้งที่พวกเรามีจํานวนมากกว่าพ่อเนี่ยหลงทางแล้วพ่อเนี่ยผิดพลาดแล้วแล้วก็เลยมีคนที่บอกว่าฆ่ายูซุปเถิดหรือจับโยนลงไปในบ่อ จับโยนลงไปเอาเอาเอาไปข้างนอกบ้านเพื่อที่พวกท่านจะได้อยู่กับพ่อตามลำพังอันนี้เนี่ยคือความรักในส่วนที่ผิดนำมาซึ่งการอิจฉาทิษยานะครับอพอเจราจาแบบนี้แล้วเนี่ยคนหนึ่งก็บอก <c oughs> อันนี้เป็นพี่คนโตที่นำเสนอกับพี่น้องไปแล้วครั้งที่แล้วนะครับว่าพี่คนโตมีความยิติธรรมเป็นห่วงน้องมองก็อย่าเลยอย่าถึงกับฆ่าแกงยยูซุฟเลยแต่ให้โยนยูซุฟเนี่ยลงไปในบ่อ วัลกูหุฟีกอย่าบัดินจุบยันตะกิดหุบประตูสยาระจะมีกองขรัวเนี่ยมาจับตัวนบียูซุฟอะไรสัลามไปหากพวกท่านจะทำ <c oughs> จะจัดการกับยูซุฟเนี่ยเป้าหมายคือให้ยูซุฟเนีออกไปไม่ต้องถึงกับฆ่ากับแกงอุลมาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าความผิดมีหลายระดับความผิดทั้งคู่นะฮะจับยูซุฟออกไปนอกบ้านเนี่ยความผิด และจับยูซุฟฆ่านี่ก็เป็นความผิดแต่อันไหนดักกว่ารุแนแรงกว่าการเข็นฆ่าในบิยูซุฟหรือการทำร้ายถึงชีวิตแสดงว่าความผิดเนี่ยมีหลายระดับเราก็ต้องให้ความยุติธรรมบางคนเนี่ยทำความผิดระดับนี้เราก็ให้น้ำหนักว่าเขาทำความผิดระดับนี้แต่ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดเช่นกันนะครับหลังจากที่ลงมติกันแล้วว่าเออเราจะนำยูซุฟไปโยนลงไปในบ่อก็เลยรวมตัวกันมาหาคุณพ่อเตรียมกันอย่างดี โน้มน้าวคุณพ่อให้นำนาบิยูซุปเนี่ย <c oughs> ไปพบกับพวกตนไปเล่นไปกินไปดื่มไปเที่ยวป่าว่าง่ายๆไปสนุกสนานกับพวกเราซึ่งนบิยากรุปเนี่ยหวงลูกอันนี้ลูกอีกภรรยาหนึ่งบินยามีนเนี่ยยังเล็กอยู่นาบิยูซุปเนี่ยโตแล้วเริ่มโตแต่ว่าคุณพ่อก็ยังหวงเพราะยังเป็นลูกสอสองคนที่เล็ก แต่พี่ๆบอกว่าพ่อจะรักลูกเกินไปและมาจากอีกภรรยาหนึ่งนึกออกไหมฮะความอิจฉาริษยาเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นมากเป็นพิเศษ <c oughs> พอพ่อเนี่ยเริ่มรู้ว่าลูกๆมีความอิจฉาริษยานาบีอุสุเริ่มจับทางถูกอันนี้คือบุคลิกของคุณพ่อเป็นคนที่ช่างสังเกตและคือรู้อะฮะรู้ว่าลูกๆเนี่ยเริ่มที่จะอิจฉาแล้วสังเกตดูจากคําที่นบียคุบบอกกับ นายบิซุปบอกว่าอย่าได้เล่าลาตะกสุรุยากายละอีควาติกะ <c oughs> อย่าเอาความฝันที่ดีของเจ้าไปเล่าให้กับพี่ๆฟังนะฟยากีดูและไกดาเขาจะวางแผนไม่ดีกับเจ้ า, เ, าเห็นหฮะพ่อเนี่ยมอบคำแนะนำแล้วก็ระวังเป็นพิเศษซึ่งบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากความความรักที่พ่อมีมากเป็นพิเศษกับนบบยบซุป น, นี้จริงกับบนเมีนอันนี้ใช่แต่ คือความรักที่พ่อได้แสดงออกไปหรือว่ารักกับลูกคนพิเศษลูกคนเล็กด้วยนะฮะแล้วก็หน้าตาหล่อในบิลซุปในพิเศษนะหน้าตาหล่อเราทราบดีนอกจากนั้นเนี่ย <c oughs> นบิลซุปยังมีความฉลาดหลักแหลมแต่ที่เราจะรู้กันในประวัติของในบิลซุปเนี่ยคุณสมบัติหลายอย่างที่เราให้กับท่านหน้าตาดีเป็นคนเล็กด้วยนะฮะแล้วก็มีความฉลาด เด็กฉลาดบางทีเรารู้สึกว่าโอ้โหมันคือคนก็ติดพนะี่น้องและบางทีลูกหลายๆคนเนี่ยคนนี้แบบ <c oughs> เด่นกว่าคนอื่นเราก็รู้สึกว่าอยากจะเอาใจใส่คนเนี่ยซึ่งบางทีการเอาใจใส่มากการเอาใจใส่กับเด็กคนไหนมากเป็นพิเศษเนี่ยมันอาจจะทําให้เด็กคนนั้นดูโดดเด่นและเพื่อนๆหรือพี่น้องเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยด้อยแต่ใ น, นอิสลามเนี่ยห้ามประการนี้ห้ามอะไรฮะคือ โอเคมันอาจจะแสดงความรักไปมิเศษได้แต่ประเด็นที่ผมต้องการจะชี้นี่คือห้ามโดยเฉพาะถ้ามีเจตนานะฮะห้ามยกคนหนึ่งให้สูงโดยเจตนาเพื่อ Dis เครดิตอีกคนหนึ่งนึกภาพบอกไหมฮะเขาเรียกว่าตีวัวกระทบคาดหมายถึงไม่ต้องการที่จะชมคนนี้หรอกแต่ที่ชมเนี่ยต้องการที่จะตําหนิอีกคนหนึ่งซึ่งบางทีเนี่ยเราไปเอาไปใช้เนี่ยเราบอกโอ้โหเพื่อนคนนี้เนี่ย ชอบมากเลยอสมมุติว่ามีคนมาเยี่ยมบ้านยกยกตัวอย่างนะฮะคนแรกเข้ามามาเลยงานอะไรก็ได้งานอัิกีก็หรือว่าเป็นงานมาเที่ยวบ้านนะครับคนหนึ่งคนหนึ่งมาแบบตัวเปล่าเขาไม่ได้ อ, อะไรมาเขาเชิญมาก็มาอีกคนหนึ่งเอาของมาเริ่มรู้สึกไม่ดีกับคนแรกไม่ยามเอาของมาให้ใช่ไหมฮะแทนที่เขาก็จะตําหนิไม่ได้ออกเหรอฮะเขาไม่ได้ตําหนิแต่พอแล้วคนที่สองเนี่ยเอาของมาให้ เราไปสละมแล้วก็แสดงความดีใจเป็นพิเศษอ้ขอบคุณมากเลยนะที่อาของมาให้โอ้โหถ้ามันแบบพอดีพอดีเนี่ยก็ได้แต่ถ้า ม, มากไปแล้วเจตนาไม่ดีต้องการที่จะให้อีกคนหนึ่งรู้สึกว่าเขาด้อยเนี่ยอันนี้เนี่ยมีความผิดหรือว่าไม่ถูกต้องเหมือนกับใครครับเหมือนกับอะไรฮะการยกย่องออคนหนึ่งคนใดเป็นพิเศษ บรรดานบีและราซูลท่านนบมุมูฮัสลแวะซัห้ามมีให้ยกย่องนบีุมูัมสุลเนื้อกว่านบีคนอื่นทำไมครับไม่ใช่นับีไม่เหนือกว่านบีศลลอลสประเสริฐกว่านบีเทุกท่านแต่ห้ามยกเพราะอะไรครับยกในกรณีที่เจตนาดิสเครดิตนบีท่านอื่นไม่ได้อันนี้คือหลักคำสอนที่สวยงามมากเพราะว่าถ้าเรานาเอาไปใช้นะฮะมันจะไม่เป็นการดูถูกเพราะการดูถูกเนี่ยต้องห้าม ซึ่งวิธีการดูถูกรูปแบบหนึ่งคือการยกคนนี้ให้สูงและความหมายก็คือกำลังที่จะดิสเครดิตคนนี้โอ้คนนี้เป็นคนดีมากคนนี้ถ้าไม่ได้มีเจตนามันก็ไม่เป็นไรหรือถ้าภาพลักษณ์มันไม่ออกว่าเออคนนี้มันโดดเด่นพิ เ, เศษก็ไม่เป็นไรนะฮะ <c oughs> แต่ถ้าเจตนาแบบนี้เนี่ยไม่ถูกต้องนะครับกรณีของนา บ, บิยูซุปอะลาอิสตลามแล้วก็พี่ๆของท่านเนี่ยคุณพ่อจับทางได้ ว่าพี่เนี่ยเริ่มและเริ่มอิจฉาอิฉานี่บอกกับพี่น้องไปครั้งที่แล้วนะครับอิจฉาเป็นประเด็นใหญ่ตลอดประวัติศาสตร์มนุษยชาติในอันกุรอานล็อกกล่าวหลายตำแหน่งที่ชายตอนอิจฉานาบีอาดัมใ น, ในเรื่องนบียูซุฟก็เรื่องอิจฉาเรื่องกอบีลาฮาบีพี่น้องเคยทราบใช่ไหมฮะเกิดขึ้นที่มีการฆ่ากันครั้งแรกในประวัติศาสตร์เนื่องจากการอิจฉาชาวกุเรชไม่พอใจท่านนาบี เนื่องจากการอิจฉาชาวยูไม่พอใจท่านอับดุลเบี๋ยสอลลอห์ฮุยซัมเนี่ยรู้จักท่านอบีเหมือนกับรู้จักลูกหลานไม่พอใจเนื่องจากอิจฉาริษยานั่นอิจฉาี่เป็นโรคที่แรงมากขอคมุครอ ง, อ ง, องต่อลรอด น, นะฮะให้เราปกป้องเราและครอบครั ว, วเราทุกคนให้พ้นจากการอิจฉาริษยาตัวเราเองก็เหมือนกันพ้นจากความอิจฉาคือตัวเราแล้วก็คนอื่นที่จะมาอิจฉาเราอิจฉานี่ไม่ดีและเป็นนิสัยของชัยตอนและนิสัยที่เออมันจะทําลายความดีงามต่างๆ เหมือนกับฟืนเออเหมือนกับไฟที่มันกินฟืนที่ท่านอับดุลเบี๊ย์ซอลลาร์เขาสำเนียงบอกเอาไว้นะครับดังนั้นเนี่ยคุณพ่อจับแล้วนั่นมีเทคนิคนะเทคนิคในการที่เราจะไม่อิจฉาคนอื่นไม่อิจฉาคนอื่นอ่ะส่วนหนึ่งนะฮะถ้าผมจะยกแบบเร็วๆไม่อิฉาค น, นหนึ่งก็คือการที่เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราเนี่ยมีอยู่ถ้าเราไปเห็นว่าคนนี้มีมากกว่าเราเนี่ยเป็นปัจจัยนํำสู่การอิจฉา แต่ถ้าเราเห็นคุณค่าที่อัลลอ์ให้เรามาเราจะไม่อิจฉาท่านนาบีจิงแ น, นะนำอุนซรน อ, ลอลิลามันหัอัซฟาละมินกลุ่มจงดูคนที่ต่ากว่าวยลาตันซรอิลามันวฟากอกุมอย่าดูคนที่เหนือกว่าทาไมครับฟาวอัจดะรอินดัลฟาหัวอัจดะรูอัลลาตัดิรูเะลออกมเพราะมันเหมาะสมกว่าที่พวกท่านจะไม่ดูถูกความโปรดปานที่อัลลอ์ให้แก่พวกท่านแสดงว่าความอิจฉาริษยาเนี่ย มันเกิดขึ้นเนื่องจากอะไรฮะการดูถูกในภาษาตะวันตกหรือนักพน า, าตนเองที่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะเขาใช้คําว่าดูถูกตัวเองแต่ภาษาท่านอบีใช้นี่คือดูถูกความโปรดปานที่อัลลอฮ์ให้กับเราอัลลอฮัศดิรุนเนี่ยอัลลอฮ์จะอะไกลุ่มจะได้ไม่ดูถูกความโปรดปานที่อัลลอฮ์ให้ดังนั้นเนี่ยเทคนิคหนึ่งเราจะไม่ิฉาเขาเนี่คือมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเรามี เราไม่ใช่ว่าจะอวดแต่กําลังจะมองว่าเห็นว่าเราเนี่ยทำแล้วมีแม้คนนี้จะมีมากกว่าในบางเรื่องแต่ให้มองในส่วนที่เรามีไม่ใช่มองส่วนที่เราขาดสองก็คือให้ศรัทธาเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์จัดสรรเนี่ยตามความรอบรู้และฮึกมาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ความดีกับใครเนี่ยทำดุลี่ละดีใจด้วยซึ่งการดีใจแบบนี้นะฮะมันจะทําให้เราสบายใจและเป็นปัจจัยทําให้เราสําเร็จไม่มีความจําเป็นจะต้องอิจฉา คนนั้นจะได้เยอะกว่าเราคนนี้จะได้ดีกว่าเราอิจฉาทําไมฮะอิจฉาเนี่ยเราเองเขาใช้คําว่าอิจฉาตาร้อนความร้อนรุ่มที่เกิดขึ้นบางทีที่สายตาและบางทีเกิดขึ้นในหัวใจไม่มีประโยชน์มันรู้สึกมันรู้สึกไม่สบายใจดังนั้นเนี่ยวิธีการที่สองก็คือเชื่อมัน่นว่าอัลลอฮ์จัดสรรอย่างดีอัลลอฮ์เลือกความดีให้ประสบกับใครแล้วนะฮะเราเชื่อว่าอัลลอฮ์รู้ว่าใครเหมาะสม ที่จะรับความดีนั้นยักต ah ัสุบิรหมติฮิมาเยชะอัลลอฮฺจะเจาะจงให้ความปวดบานแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์อีกประการหนึ่งคือการขอดุท <c> ิ <oughs> ให้พ้นจากการอิจฉาริษยาอย่างเช่นในสุรัตน์อัลฟาลักนะฮะมินชัรีฮะวามินชัริฮะซีดินอีลาฮัสต์ให้ขอความคุ้มครอ ง, องต่อเราให้พ้นจากความชั่วร้ายของผู้อิจฉาเมื่อเขาอิจฉาส่วนเมื่อกี้คือในมุมที่เราจะอิจฉาคนอื่นนะฮะมีอีกมุมหนึ่งก็คือ มุมที่เราจะไปอิจฉาเขาก็มีวิธีบางประการนะครับหนึ่งก็คือจะเออเมื่อกีม้มุมที่เราจะมีฉาเขามุมที่เราจะไม่ให้คนอื่นอิจฉาเราก็คืออย่าเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยว่าคนนี้อาจจะรู้สึกอิจฉาเราเทคนิคที่ท่านนาบีสุลตัมเอ่อหรือว่าในซุรอ้อนกุรานที่ร้อนแน่นอนก็คืออย่าเล่าเรื่องที่ดีของเราให้กับเขาเนี่ยฟังถ้ายิ่งเราเล่าเนี่ยคือเขายิ่งรู้สึกไม่ดีเมื่อเราประสบความดี และบางทีเนี่ยสายตาอิจชาหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราเด็กที่เกิดมาใหม่เห็นไหฮะอันนี้อาจจะเกิดสายตาที่อิจชามีสุ น, น้างท่านอับดุลซอรอจำจริงสองนให้ขอดุอาให้พ้นจากความอิจช า, อ, าอูอูอูอูกูอูอูอูอูอิอูอูมู อ, ามมา อ, มอู อ, าอูาูออูอูอูอูอูอูอูอูออูอูอูอูอูออออออ พระนงของอัลลออันสมบูรณ์ให้พ้นจากชัยตอนและสัตว์เลื้อยคานที่มันจะมาทำร้ายเด็กวอมินกุลเลยอนิลลามะและให้พ้นจากสายตาที่อิจชา <c oughs> คนได้ลูกใหม่โอ้โหมาอีกแล้วหรือคนได้เด็กน่ารักโอ้โหยิจช้าเหลือเกินอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นเนี่ยนบีจึงสอนให้มีการดุอา มีการปกป้องคุ้มครองให้อลซุบาหานหัวตาลได้จัดการให้นะครับอ่าแล้วก็มีอีกหลายประการนะครับการไม่เล่าความดีงามต่างๆให้แก่คนที่อาจจะอิจฉาเราในรับฟังคุณพ่อเนี่ยก็ปฏิบัติเช่นนี้มาตลอดนบิยักูบะลิสลามระวังแล้วก็รักลูกคนเล็กเนี่ยเป็นพิเศษด้วยแต่ <c oughs> บรรดาพี่ๆน บ, บียูซุฟเนี่ยก็มามาจับจดคุณพ่อรู้ว่าคุณพ่อเนี่ยห่วงลูกคนนี้มากก็ลกูพวกเขาเลยกล่าว <c oughs> ยาอบานะัก โอ้คุณพ่อของพวกเราโอ้คุณพ่อของพวกเรามาลาลาตะมนาเนี่ยในภาษาตะจวิตนะฮะจะอ่านว่าไงฮะลาตะมนาไม่ใช่มานานะฮะมีการอ่านสองแบบหนึ่งก็คือลาตะมานูนาแบบสั้นๆลาตะมานุนามานุนามานุนาแบบสั้นๆอีกแบบหนึ่งก็คื อ, เ, อเรียกว่าอ่านแบบอิชมามก็คือลาตะม น, นา น่วงเสียงและทําปากจู๋ทำมือก็มีดอมมาลาตะมั่นนะเพราะเดิมก็คือลาตะมานูนา <c oughs> แต่ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยอ่านแบบติดกันอ่านแบบเร็วก็คือลาตะมันนาะอ้าลายูซุปทําไมท่านจึงไม่ไว้ใจพวกเราต่อยูซุฟว่าอินนาลหูและนาซิฮุนทั้งที่พวกเราเนี่ยรักยูซุปอย่างกะอะไร อันนี้เนี่ยใช้คําภาษาอาหรับว่านาซีฮูลนาซีฮูลเนี่ยมันจะคําว่านาซีฮะแปลว่าอะไรครับที่เราใช้กันเนี่ยคือแปลว่าตักเตือนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความหมายตักเตือนตักเตือนเป็นส่วนหนึ่งจากนาซีฮะอย่างๆแ้วนาซีฮะเนี่ยที่แปลความหมายถูกต้องคือเนี่ยแปลว่าบริสุทธิ์ใจมากกว่าว่าอดีนุนาซีฮะศาสนาคือการตักเตือนไม่น่าจะใช่เท่าไหร่น่าจะไกลไปนิดนึง อ ด, ดีมนซ้นิยาฮ์คือศาสนาคือความจริงใจระหว่างกันลีมันเหมือนที่ซอฮาบะบอกสําหรับใครครับจริงใจเนี่ยสำหรับใครลินละจริงใจกับลอถ้าเราบอกว่าตักเตือนถ้าแปลว่าตักเตือนนะ ต, ตัาตากเตือนเพื่อใครครับเพื่ออัลลอฮ์ตักเตือน Allah? อัลลอฮ์ยังไงไม่เข้าใจตึกเอาไหมฮะแต่ถ้ า, าบอกว่าจริงใจอ๋อจริงใจต่ออัลลอฮ์ต่อคำพี ข, ของอัลลอฮ์ต่อระซุนของอัลลอฮ์ต่อผู้นํามุสลิมนะบรรดามุสลิมทั่วๆไปเห็นไหมฮะดังนั้นเนืสิยาฮ์แปลว่าจริงใจ แน่นอนุณอะคือคําว่านาซีฮัตจริงๆแล้วดีไมยถึงการทําให้บริสุทธิ์ที่อุลมะเขาบอกว่าเหมือนกับน้ําพึ่งเนี่ยน้าําพึ่งที่มันจะน้ําพึ่งบริสุทธิ์เนี่ยมันเกิดจากการกรองกรองของเอ่อรังพึ่งนะฮะออกมาจนออกมาจนกระทั่งเป็นน้ําพึ่งที่ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินอันนี้คือนาซีฮหตเช่นเดียวกันพี่ๆเนี่ยบอกเอาคุณพ่อคํานาซีฮัตเดิมเนี่ยดีแต่ตรงนี้ มันมีบางตำแหน่งในกุฎารนะฮะนักเสียหาให้ความหมายว่าไม่ดีตำแหน่งแรกก็คือที่บรรดาพี่ๆเนี่ยอะไรนะฮะบอกกับคุณพ่อเนื่องจากพี่ๆอิจฉาสแสดงออกว่าพวกเราเนี่ยนาซีฮูลจริงใจบริสุทธิ์ใจนะอีกตำแหน่งหนึ่งในแอนกุฎารนะครับคือตำแหน่งที่ชัยตอนได้บอกอ น, นี่นะฮะ ชัยทอนได้สาบานนที่ผมไฮไลท์ให้นะครับอายะ น, นี้ว่าก็สมหูมาสาบานต่อนบีอาดัมพระนางเฮา ว, วะชัยทอนอิฉาเหมือนกันเห็นไหมฮ ะ, ะนักเสียฮัตเนี่ยเราต้องดูว่านักเสียฮัตถ้ามาจากปากของคนที่อิฉาบางทีอาจจะไม่ใช่นักเสียฮะเนึกออกไหมฮะเพราะเขาอิฉาอยู่เขาไม่ได้จากพัฒนาดีหรอกอย่างถ้ามาจากพี่ๆนบียูซุปบอกกับคุณพ่อ พวกเราเนี่ยจริงใจน ะ, ะบางทีต้องต้องตั้งข้อสังเกตอันนี้เทคนิคหนึ่งนะครับที่ได้จากบทเรียนจากอันกุรัต <c oughs> ตำแหน่งที่สองก็คือที่ชัยตอนกล่าวกับนบีอาดัมและพนางเฮาวาสาบานกับทั้งสองอินนีและกูมาและมินันนาอสซีฮีนฉันเนี่ยเป็นคนที่จริงใจบริสุทธิ์ใจแก่ท่านทั้งสองซึ่งชัยตอนไม่ใช่ แต่ชัยตอนต้องการที่จะให้น บ, บีอาดัมพนะนังคาวาเน่กินต้นไม้แล้วก็มาหลอกบอกว่าเนี่ยแนวเดียวกันน่ยพี่น้องดูนะฮะชัยตอนบอกว่ากระสิบกระซาบทั้งสองแล้วบอกกับทั้งสองว่าที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้กินต้นไม้ต้นนี้ในอะินแะอันตะกูลนามะละไกนอกจากการกินครั้งนั้นเนี่ยจะเป็นสาเหตุทําให้ทั้งสองมีอํานาจในสวรรค์เอาตะกูลนามิร์นคอลิีหรือจะได้อยู่ในสวรรค์ตลอดการมีชีวิตที่อมตะเห็นไหมฮะนี่ ใชยตอนเจตนาไม่ดีแล้วก็หลอกลวงใช้คำพูดที่หลอกบอกว่าการฝ่าฝืนคำสั่งขอร้อนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนำมาซึ่งความดีแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยนาซีฮีนแล้วกุอินนีแล้วกุมาแลมินันนาซีฮนเหมือนกับที่บรรดาพี่ๆบอกกับนบียูซุฟอนะลัยฮิสสลามว่าอินนะละฮูละนาซีฮูนพวกเราเนี่ย <c oughs> เป็นคนที่จริงใจกับยูซุฟอะิสซาามแต่จริงๆแล้วเนี่ยจริงใจหรือเปล่าครับไม่จริงใจมาคิดอยู่ไหนละอินนาลฮุลันาซิฮูลอัรซิลฮูมานะอ่ายที่12ก็เลยบอกขอุณพ่อดังนั้นเนี่ยจงปล่อยเขามาพร้อมกับพวกเรากอดันในวันพรุ่งนี้ยะรตะาเพื่อเขาจะได้ยัรตานี่แปลว่าการกินอย่างอิมหมีพรีมัน กินอย่างเต็มที่ผลไม้ไปในคือพี่น้องต้องต้องนึกนะสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีห้างสรรพสินค้าไม่ได้มีเซเไม่ได้มีจะไปเที่ยวห้างไหนอะไรพวกนี้ไม่มีคนสมัยก่อนเวลาจะไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนฮะเข้าไปในป่าและป่าสมัยก่อนก็อานมสมบูรณ์ <c oughs> แค่ไปกินผลไม้ไปเจอแม่น้ําไปเจ อ, เ อ, อสัตว์ไปดื่มนมจากสาัตว์จากเต้ามันเนีน่นี่คือแบบว่าสุดยอดแล้วในสมัยก่อนเห็นไหมฮะ ดังนั้นเนี่ยพี่ๆเนี่ยออกไปประจําและไปวิ่งแข่งกันไปเล่นกันว่าง่ายไปสวนสนุกว่าง่ายสมัยนี้นะฮะแต่สมัยก่อนไม่มีและเขาก็มีวิธีการสนุกกันไปวิ่งแข่งกันอะไรกันพี่ๆจะไปก็เลยบอกกับคุณพ่อบอกว่าปล่อยน้องเนี่ยยูซุปไปกับพวกเราเถอะเขาจะได้กินอย่างเต็มที่ไปสนุกกันไปกินกันไปมิสติ้งกันวายลับไปเล่นกันเล่นกันอุลมะตดรกับชีก็บอกว่าเล่นนี่คือวิ่งแข่งมวยปล้ำอะไรเนี่ยไปเล่นนอกสถานที่แล้วมันสนุก ว่าอินนาละฮูละฮาฟิซูนไม่ต้องกลัวรู้เลยว่าคุณพ่อในกังวลก็เลยบอกว่าพวกเราจะดูแลยูซุฟเองพวกเราจะคุ้มกันดูแลยูซุฟเองและฮาฟิซูนก็แหละคุณพ่อก็เลยบอก <c oughs> พี่ๆรู้ว่าพ่อเนี่ยกลัวว่านาบียูซุฟเนี่ยจะเป็นอะไรเวลาออกไปใช่ไหมฮะก็เลยพูดกันไม่ให้ น, นบียะคุบหรือว่า ไม่ให้นบีอูซุปห้ามการบอกว่าพวกเราจะดูแลเราเนี่ยรักในยูซุปนะพ่อรู้ว่าพี่ๆเนี่ยจะไม่รักพี่ก็เลยแสดงออกว่ารักนะสองก็คือพ่อกลัวว่ายูซุปจะเกิดอันตรายพวกเขาก็เลยบอกบอกว่าไม่หรอกครับคุณพ่อพวกเราเนี่ยจะเป็นคนป้องกัน ร, รักษาคุ้มครองเขาเองพ่อไม่ต้องกังวลนบียูซุปก็บอกแต่มันมีเครื่องหนึ่งที่ใช่กังวลก็ลือินอนีลายฮะซุนนีอันตะซฮะบูบี อย่าว่าแต่เขาจะไปประสบอันตรายเพียงแค่ห่างจากลูกนี่ลูกคนเล็กไงฮะหรือก่อนเล็กห่างจากลูกเพียงไม่นานเนี่ยฉันก็คิดถึงเขาแล้วอันนี้เนี่ยพ่อแม่อาจจะประสบกับลูกโดยเฉพาะคนเล็กๆใช่ไหมฮะแล้วคนโตๆเนี่ยคือบางทีไม่ค่อยเจอหน้าไม่เป็นไรแต่ลูกเล็กเนี่ยต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษแม้บางทีเขาอาจจะโตแล้วก็ตามแต่ลูกบางทีถ้าเป็นลูกเล็กเนี่ยก็ยังคงเป็นคนเล็กอยู่นะครับก็ละอินนีลายฮัสซุนูนี ฉันเนี่ยจะเสียใจมากอันทัธาบูบิแค่นําเอายูซุปไปเนี่ยฉันก็เสียใจแล้วจากจากยูซุปเนี่ยไม่ไม่เท่าไหร่ไม่กี่นาทีเนี่ยหรือไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะฮะฉันก็รู้สึกเสียใจแล้วว่าข้อฟูอียะกุลาหุธีประเด็นที่สองคือฉันกลัวหมาป่าจะมากินยูซุปวอันตุมอันหูกรฟิลูโดยที่พวกเจ้าเนี่ยลืมกันเพิกเฉยกันไม่รู้ตัวเล่นจนเพลินลืมน้องอะไรแบบนี้นะฮะ อันนี้คุณพ่อเนี่ยก็ต้องกังวลและแสดงความกังวลออกไปก็รู้พวกเขาก็เลยบอกละอินอะกะละฮุซิบหากหมาป่ามากินเขาจริงๆวะนะฮุรอสบะทั้งที่พวกเรามีจำนวนมากเป็นผู้ชายที่แข็งแรงอินนาอิทละคอซิรุนไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยพวกเราจะกลายเป็นคนที่ขาดทุนอยนะ่างแน่นอนคือตัดทุกประเด็นที่คุณพ่อเนี่ยจะหยิบมาเป็นข้ออ้างไม่ให้นำตัวยูซุฟไป ซึ่งบางชีการเบอกอะไรบางอย่างให้กับลูกๆรู้เนี่ยดูเหมือนว่าจะให้เขาระวังและเป็นเหตุทําให้พวกเขาน่ยไม่เอาไปแต่เขากลับนําเอาเรื่องนั้นเนี่ยก็คือการที่หมาป่าจะมากินตัวนบียูซุฟเนี่ยเอามาเป็นข้ออ้างถือว่าเป็นเหตุผลให้กับคุณพ่ออัลลอฮฺ سبحانه แะก็ุ์ตาลาบอกต่อนะครับว่าฟาลัมมาザฮาวบีฮีแล้วเมื่อพวกเขา ได้ได้ตัวนบียูุ่ดไปสุดท้ายพ่อเนี่ยก็คือต้องปล่อยอุล玛เขาบอกจุดนี้เนี่ยการป้องกันอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่สามารถยับยั้งกดกําหนดสภาวะขอร้อนสุภาพนาหัวตลาดได้หน้าที่ของเราเนี่ยคือการป้องกันแต่ป้องกันอย่างเต็มที่แล้วมันจะเกิดอะไรสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยเป็นกําหนดขอร้อนและเช่นกันเราเชื่อว่าทุกกําหนดขอร้อนเนี่ยดีทั้งสิน้นนี่ตรงนี้ประเด็นสําคัญมาก มันมีสองมุมที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ขณะที่พี่ๆนำตัวนายบิลซุฟอะลัยส์ลามไปมีสองมุมมุม <c oughs> การกระทําของพี่ๆนายบซุฟกับมุมที่สองคือมุมการอนุญาตของอัลลอ์ให้นายบซุฟอะลัยสลามเนี่ยออกไปกับพี่ๆมีสองมุม แม้จะเป็นเหตุการณ์เดียวแต่ความดีและความชั่วเนี่ยไม่เหมือนกันยังไงฮะการกระทำของพี่ๆนบียูซุฟเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดบาปไม่ดีถูกไหมฮะวางแผนเอาตัวนบียูซุฟออกไปแล้วก็ไปโยนลงไปในบ่อนี่ดีไม่ดีฮะไม่ดีแต่ในมุมของอัลลอ์ที่อนุ ญ, ญาตที่จะให้พี่ๆทาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยณที่อัลลอ์นั่นคือ ความดีเป็นฮิกมาเนี่ยแหละฮะถ้าพี่น้องจับจุดตรงนี้ได้แล้วเอาไปเปรียบเทียบกับชีวิตที่เราอยู่ทั้งหมดนะฮะเราจะมีมุมมองที่เป็นบวกตลอดในชีวิตของเราอย่างเช่นสมมุติว่าคนสมัยอดีตรเราเนี่ยคือแย่บางคนสมมุตินะฮะในที่นี้ไม่มีใช่หรบางคนติดเหล้าบางคน เ, เคยสัมมาเลเทมามาก่อนถ้าเขากลับมาคิดโอ้โหไปตำหนิอดีตไป ไปเศร้ามัวแต่เศร้าโดยที่ไม่เกิดประโยชน์มันมีเศร้าแบบเป็นประโยชยยน์กับเศร้าไม่เป็นประโยชน์คือไปตีโพยตีพะอ้ฉันคงเป็นคนดีไม่ได้ฉันไม่น่าที่จะเป็นแบบนั้นแบบเนี้ยนะฮะมุมแบบนี้เนี่ยยิ่งทําให้เขาจมปลักกับความผิดหรือว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเขาเอาประโยชน์จากบทเรียนที่เคยทําความผิดมาก่อนแล้วก็บอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยเอาล็อกําหนดแล้วและเอาล็อกําหนดให้ฉันเคยไม่ดีแบบนั้นแบบนี้เนี่ยนั่นแหละเป็นความดีเป็นความดียังไงก็ล็อกําหนดแล้วเราอาจจะไม่รู้ว่ามันมีความดียังไง แต่มันต้องมีความดีซ่อนอยู่ให้หาความดีจากสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในอดีตไม่ว่าจะเป็นมุสีบ้ามาประสบกับเราหรือเราอาจจะเคยทําไม่ดีมาก่อนในอดีตถ้ามันผ่านมาแล้วเราเตาบัสแล้วจุดนั้นถือเป็นความดีนี่คือความรู้สําคัญมากและคือข้อแตกต่างที่หรือหรือเป็นปัจจัยทําให้คนเนี่ยกลับเนื้อกับตัวมาหา ALL. อัลลอฮ์กับตัวมหาอัลละฮ์แม้ว่าจะเป็นคนไม่ดีขนาดไหนเนี่ยเพราะความไม่ดีถ้ามันผ่านมาแล้วแ ล, วละอัลลอฮ์กำหนดแล้วนะฮะ ย่อมถือเป็นความดีเพราะอัลลอฮ์อนุญาตที่จะให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอัลลอฮ์อนุญาตให้เกิดขึ้นนั่นต้องเป็นความดีเหมือนกับที่อัลลอฮ์อนุญาตที่จะให้นบียูซุฟให้พี่ๆทําไม่ดีกับนบียูซุฟถามว่าอัลลอฮ์รู้ไหมครับรู้การกระทําของพี่ๆดีไม่ดีครับไม่ดีแต่การที่อัลลอฮ์อนุญาตให้พี่ๆทําแบบนี้ดีไม่ดีครับดีดียังไงครับมันมีสตอรี่ก่อนหน้านี้คือนบียูซุฟฝัน เห็นดวงดาวสิบอ็ดวงดวงที่ดวงจันทร์สู่กับท่านถ้านในมยูซุฟอะลัยอิสลามไม่ออกจากบ้านหรือไม่ถูกพี่ๆนำไปโยนลงไปในบ่อวันนั้นหรือวันที่เราตังศึกษาในวันนี้เนี่ยก็จะไม่เกิดความยิ่งใหญ่ของในบียูซุฟที่จะเห็นดวงดาวสิบเอดวงดวงที่ดวงจันทร์สู่กับท่านแสดงว่าการที่เราให้พี่ๆทําแบบนี้เนี่ยพี่ทําไม่ดีแต่การอนุญาตขอร้อยให้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพื่อ สตอรี่ที่อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วเนี่ยมันจะได้เกิดขึ้นเพราะท่านาบดุยูซุฟไม่ตกไปในบ่อจะไม่มีคนจับนบีซุฟไปขายในตลาดทาสและจะไม่มีจะไม่เข้าไปในบ้านของผู้ว่าการแห่งอียิปต์จะไม่ได้เข้าไปในคุกและจากคุกก็ไม่ได้ออกมาขึ้นมาเป็นผู้ว่าการคลังของเมืองอียิปต์ทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากทุกสเต็ปที่เกิดขึ้นในชีวิตของบียูซุฟเนี่ยผ่านการอนุมัติ ข, ของอัลล์ ดังนั้นนี่คือกรรโกกรดัลย์ทีคัญมากเนี่ยสื่อารเรื่องนั้นยูซุปนะฮะทำให้เราทราบอ๋อมันมีมุมมันมีสองมุมแต่เราเองดังนั้นเนี่ยการที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลากาหนดเป็นสิ่งที่ดีเสมอในทุกในครั้งนะครับส่วนการกระทําของพี่ๆเนี่ยอันนี้ไม่ดีซึ่งจุดที่ยวล็อกกำหนดนี้เนี่ยเราเชื่อว่าดีเสมอดีเสมอนะฮะแต่มันจะไม่เป็นเหตุผลที่เรา จะนำมาอ้างในการทําความผิดทําความชั่วของเราเป็นอันขาดตรงนี้จุดตรงนี้สําคัญมากเพราะบางคนเนี่ยใช้กอดอและกอดดั๊เนี่ยผิดคือก็บอกว่าอ๋อเมื่อพอเรารู้เรื่องตรงนี้แล้วเนือว่าอ๋อการที่พี่ๆทําผิดนี่คือผิดใช่ไหมฮะแต่ณที่อัลลอฮ์คือคือความดีเพราะมันจะนํามาซึ่งความดีหลังจากนั้นนี่คือกอดอกอดดั๊แต่ไม่ได้หมายถึงว่าเมื่อเราจะทําความผิดแล้วเนี่ย นั่นคือความดีไม่ใช่เพราะอะไรฮะเพราะเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์กำหนดอะไรเอาไว้ในอนาคตที่มันจะมีความดีในลําดับถัดมาเราไม่รู้ถูกไหมฮะเราไม่รู้แต่ที่อัลลอฮ์อนุญาตแต่พรออัลลอฮ์รู้ว่าต่อไปแล้วเนี่ยช็อตต่อไปคืออะไรดังนั้นหน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยเป็นความดีแต่หน้าที่เราอะฮะเราจะมาอ้างทําความชั่วไม่ได้เพราะเนื่องจากเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่หน้าที่ของเราคืออะไรครับ หน้าที่ของเราคือหน้าที่ของเราคือการปฏิบัติตามความรู้ไม่ใช่การปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเองไม่รู้ออกอ็อู้ก็รู้เนี่ยเราไม่รู้นอกจากจะต้องเกิดขึ้นแล้วเราถึงจะรู้ว่ามันเกิดอะไรดังนั้นเนี่ยที่บอกว่าทําความผิดมาในอดีตแล้วเรากลับตัวเนี่ยอันนี้เรารู้แล้วแล้วคนจะมาตามําหนิเราไม่ได้เพราะว่าคุณเนี่ยเคยทําผิดแบบนั้นแบบนี้มาแล้วบอกเราเติบวัตตัวแล้ว บางคนเนี่ยออชอบอะไรนะฮะแบบว่ากระแนกกระแนหใช่ไหมครับคนแบบว่าสำนึกผิดกับตัวเคยไม่ดีมาก่อนเข้ามาสัสยิดบางทีเนี่ยก็ถูกมองว่าอ๋อเอามาแล้ ว, ห, ล ว, วนนลหรอบบนึกว่าวันนี้จะไปที่อื่นบางทีเขากล่าวเป็นไปเที่ยวเทคบาร์อะไรแบบนี้นะฮะอ๋อนึกว่าวันนี้จะไปที่อื่นเอามาเข้ามาสัสยิดแล้ว ห, ลหรือบางทีเนี่ยคนเปลี่ยนแปลงตัวเองเอาใส่โต๊หรือใสเออ่เสื้อที่แบบว่าดีหน่อยใส่หมวกมาละหมาดเงี้ยฮะเอาวันนี้ใส่ ใส่โต๊บแล้วหรออะไรเงี้ยการพูดแบบนี้นี่คือการดูถูกไม่ได้และคนที่ถูกพูดแบบนี้นะฮะมีสิทธิ์ในการที่จะบอกว่าอ๋อในอดีตเนี่ยฉันกลับตัวแล้วและอัลลอฮ์ให้ฉันทําแบบนั้นในอดีตนี้พูดได้เพราะมีหลักฐานฮะดิสุบันทุนโดยมีาบุคคลดีนะครับท่านน บ, บีซอลสมัมฤทธบอกว่าใน บ, บีมูซากับนบนีบอาดัมเนี่ยเคยเคยเจอกันและน บ, บีมูซาก็บอกว่าท่านใช่ไหมคือผู้ที่อัลลอฮ์เนี่ยสร้างกับท่านกับมือของพระองค์แล้วท่านใช่ไหมที่อัลลอฮ์ให้ท่านอยู่ใน แต่ท่านนี่คือสาเหตุทําให้พวกเราต้องมาอยู่บนโลกนี้จริงไหมฮะเออใช่แต่นบีอาดามบอกอะไรครับบอกกลับไปบอกกับนบีมูซาซึ่งเป็นหลานแท้ๆถูกไหมฮะบอกว่าท่านใช่ไหมมูซาผู้ที่เป็นกะรีมุลล้อผู้ที่อลัลลอฮ์พูดกับท่านสนทนากับท่านโดยตรงใช่ท่านได้รับเตาร้อนใช่ไหมแล้วมีไหมในเตาร้อนเนี่ยที่บอกถึงกําหนดของอัลลอฮ์สุบฮานหัวถามว่าในการกําหนดของอัลลอฮ์เนี่ยก่อนที่ฉันจะเกิด หรือหลังจากที่ฉันเกิดมูซ่าก่อนที่ฉันจะเกิดไอ้ก่อนที่ท่านจะเกิดแล้วท่านจะเอาอะไรกับการที่อัลลอฮ์กำหนดแล้วไว้ฉันและท่านต้องมาอยู่บนโลกนี้ก่อนที่ฉันจะเกิดเสียอีกเห็นไหมฮะนบีมูฮัมมัดสอดเราสำชึงบอกว่านาบีแล้วนบีมูซ์เอนบีอาดัมก็ใช้เหตุผลชนะนบีมูซาอะไรสลับเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากนาบีอาดัมตัววัดตัวแล้วแล้วนี่เป็นกําหนดของอัลลอฮ์สุบฮานุฮุตาดังนั้นเนี่ย กอรอกอดัตเนี่ยสามารถจะนาเอามาอ้างได้เมื่อเรากลับตัวแล้วและเช่นเดียวกันเราอาจจะไม่ได้อ้างกับคนอื่นเท่าไหร่แต่เราเอามาใช้กับตัวเราเองเป็นประโยชน์มากนะฮะเราจะได้ไม่ตีโพยตีพายสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตที่ดูเหมือนจะไม่ดีให้หาสิ่งที่มันดีเป็นบทเรียนในบางทีเนี่ยนะ <c oughs> อย่างคนที่แบบว่าไม่ดีมากๆหรือว่าถ้าสมมติยกตัวอย่างว่าติดสุราง แล้วบอกหอ้โหฉันติดเหล้ามาก่อนมันไม่ดีมันจะมีดียังไงอ่ะถ้าผ่านไปแล้วนะครับดีทําไมฮะอย่างน้อยสมมุตินะความดีแรกที่มีกับคนที่เลิกเหล้ามาได้เนี่ยคือเขาย่อมรู้ว่าวิธีการเลิกเหล้าเนี่ยคืออะไรและเช่นการรู้ว่าวิธีการที่จะไปอยู่วังวนนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรเอาความรู้ตรงนี้ซึ่งคนอื่นจะไม่มีหรือมีน้อยกว่าถูกไหมฮะคนที่ไม่เคยติดเหล้าจะไม่รู้ในเรื่องนี้ เขาเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยเอาไปสอนคนที่จะไปติดเหล้าอย่าเลยฉันเคยแล้วมันไม่ใช่ถนทางที่ดีแล้วบอกคนที่ติดเหล้าแล้วบอกวิธีหรือเทคนิคในการเลิกเหล้าเนี่ยทําอย่างไรเขาจะรู้ใจฮะเหมือนกับพี่น้องมูอัลลาฟที่เข้ารับอิสลามใหม่เขาสามารถที่จะเข้าใจคนที่สนใจอิสลามมากกว่ามุสลิมเดิมทําไมฮะเพราะเขาเคยผ่านมาแล้วแต่ไม่ได้ไหมายถึงว่ามุสลิมเดิมจะไม่สามารถจะได้วะ ค น, นีเป็นมุสลิมใหม่ได้นะฮะแต่กำลังจะบอกว่าให้หาจุดดีของสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่ดีแต่มันเกิดขึ้นแล้วในอดีตนี่เป็นกบล์กอดัทที่สำคัญมากและเป็นจุดที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นการเข้าใจหรือเก็ตประเดนในส่วนนี้นะครับก็ลูฟลัมมาซะฮะบูบิฮีแล้วเมื่อพวกเขาเนี่ยได้นำตัวนาบิยูซุฟไปวะอัจมอูยะจัลูฮูฟีอยบะตินจุบแล้วตกลงกันอัจมาอู น, นี่คืออิจม ลงมติตกลงกันแล้วฮะมติเอกฉันว่าจะนำตัวยูซุฟเนี่ยไปปล่อยไว้ในบ่อฟีรอยาบตินยุบจับตัวยูซุฟและมิยูซุฟก็ดิน้นร้องพี่ๆแข็งแรงกว่าแล้วก็1ิอคนสิค น, นะฮะจับยูซุฟคนเดียวนะฮะเสื้อถอดเสื้อเสื้อหลุดมาจับโยลงไปในบ่อไม่สนใจเสียงร้องขอความช่วยเหลือของพี่เออของนบียูซุปเนี่ย พี่ๆไม่เคยสนใจเดี๋ยวผมขอจะขอเล่าเล่าไปในอนาคตนิดนึงนะฮะ <c oughs> นี่จุดหนึ่งพี่ๆไม่เคยฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือของ n นบิวสุฟอะลัยฮิสสลามแต่ในวันที่เนบิวสุฟขึ้นเป็นผู้ปกครองเมืองอียิปต์หรือเป็นผู้ว่าการคลังซึ่งดูแลการคลังทั้งหมดของอียิปต์แล้วเมืองกันอานที่พี่ๆเนบิวสุฟอยู่เนี่ยกลังแห้งแล้งเหมือนที่อยิบแองแลตนบวุฟวางแผนไว้ก่อน พี่ๆมาในหลายครั้งนะครับแต่ในครั้งสุดท้ายมาเจอนบิอสุฟอะลัยอิสลามเนี่ยบอกยังไงกับนบิอุสุฟครับแต่ผมจะเอาอายะมาให้นะครับพี่ๆนมหานาบิอุสุฟไม่รู้ว่าเป็นยุสุฟนะฮะพี่ต้องดูว่าใจของนะบิอุสุฟเนี่ยยังไง เราจะได้บทเรียนคือบางทีถ้าผมไปถึงตอนนู้นนี่มันอาจจะลืมเลยว่าขอเล่าแบบล่วงหน้าไปก่อนนะครับมันจะได้รับบทเรียนตรงนี้หรือว่าดูใจนบีซุบในอย่างไรแล้วเหมือนกับท่านนาบีซอลลัลซนะัลละอย่างไรอ่าดูวันที่นบีซุบร้องร้องให้พี่ๆเนี่ยช่วยเหลืออยู่ในบ่อแล้วพี่ๆจับมาโยนมีใครฟังไหมครับน่าจะมีคนนึงสงสารนะฮะเอ้ยเปลี่ยนใจดีกว่าใช่ไหมฮะมิโ น, อ ง, นองคิดดูนี่น้องแท้ๆ แ, แม้จะคนเล่แม่ก็ตามนะ แต่มันใจคนมันต้องสงสารบางทีเห็นเด็กคือเด็กที่แบบว่าน้องแท้ๆอยู่กันด้วยกันมาเนี่ยไม่ใจแข็งมากแข็งขนาดไหนฮะไม่สนใจหันหน้าออกไปกลับไปไปไ ป, ไ ป, ไปที่บ้านเฉยเลยวันที่เนบิยูซุปร้องขอความช่วยเหลือไม่มีพี่สักคนหนึ่งหันมาให้ความช่วยเหลือหรือฟังเสียงเนบิยูซุปแต่วันที่พี่ๆเนี่ยเข้ามาหานบิยูซุปนี่น่าจะเป็นครั้งที่ ครั้งที่สามนะฮะครั้งที่สมฟาลามดาคอลูอาไลห์นี่ครั้งนี้เนี่ยครั้งที่นบิูซุปได้จับตัวบิญามินไว้แล้วเนื่องจากมีคดีความว่าขโมยเมื่อเข้าไปหาอาซิสแล้วเนี่ยก็ลูยาอายุัลอาซิสก็เลยบอกว่าโอ้ผู้ว่าหรือผู้ปกครองอียิปต์เอ๋ยมัซนาวะอะ์ละนาดุรเราและครอบครัวกาลังประสบกับปัญหา วจินาบิบิโตอัติมุสจาและเรานําเอาสินค้าหรือของแลกเปลี่ยนมาเนี่ยในมูลค่าที่มันต่ําพี่เรานึอนกออกพระแ้วพบอกไหมฮะสภาพเศรษฐกิจที่แย่เราเอาสินค้ามาเนี่ยมันก็แบบว่าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จะมาแลกสินค้ากับท่านซึ่งเป็นอาหารเนี่ยฝ้อาอูฟิลานไกล่ดังนั้นได้โปรดให้กับพวกเราอย่างเต็มอัตราแม้ว่าเงินเราอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างแต่สิ่งที่ท่านจะให้มาขายสินค้าพวกเรากับเนี่ยได้โปรดให้เต็มอัตราคือลําบากมาก ลำบากทั้งด้านเศรษฐกิจลำบากทั้งดนคุณพ่อต่อว่าว่าไงฮะดนพ่อต่อว่าว่าน้องหายไปไหนสัญญากับคุณพ่อบินยามินหายในครั้งที่สองใช่ไหมฮะพอบินยามินหายคุณพ่อเนี่ยเสียใจมากยิ่งเสียใจไปอีกยูซุปไปคนหนึ่งแล้วเป็นสิบสิปีนี่บินยามินหายอีกดิวภาพบอกแล้วก็โดนพ่อต่อว่าพี่ชายคนโตก็ไม่กลับบ้านพอกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมาเล่านบิยูซุปบอกพวกเราเนี่ยแย่มากเธอไม่ไหวนะสภาพเศรษฐกิจ โดนคุณพ่อด้านครอบครัวด้านศรกิจแย่มาอันนี้เาทดสอบแล้วทดสอบพวกเขาฟาอูฟิลานั่นใกล้แล้ววัตสัดักอะไรนอ่าได้โปรดให้สินค้าแก่พวกเราอย่างเต็มที่และทาทานแก่พวกเราวตสดาาัดักอะไรนอินนัลลอฮยะจินมุตสกักนแท้จริงอัลล์จะตอบแทนคนที่ทาําตะกออัลล์ในบิซุฟอลฮิสลาตเนี่ยพี่ๆวันที่พี่ๆมาร้องขอในบิลซุฟรู้อยู่เต็มอก วันที่ท่านร้องขอความช่วยเหลือกับพี่ๆเนี่ยนะฮะไม่มีสักคนหนึ่งจากสิบคนเนี่ยฟังเสียงนายบซุปแต่วันที่พี่ๆทั้งสิบคนมาร้องขอและไม่รู้ด้วยว่าเป็นนายบิลซุปนบิซุปรู้นี่คือพี่ๆพี่ๆคนที่เคยไม่ช่วยเหลือนายบซุปมาก่อนแต่นบิซุปตอบไปยังไงฮะ ตอบโต้ด้วยสิ่งที่ดีกว่าก็เลยบอกก็ละเฉลยแล้วตอนนี้ฮัลอาลิมตุมมาฟะอัลตุลบิยูซุฟวาฮอัอันตุมาฮิลูนพวกท่านเนี่ยรู้หรือเปล่ารู้ตัวไหมว่าทำอะไรไปกับยูซุฟและน้องชายของเขาในขณะที่พวกท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ที่ไม่รู้เรื่องโง่เขลาก็ลูพวกเขากล่าวทันทีอินนกละลาอันตะยูซุฟ ท่าน เ, นเหรอยูซุปท่านใช่ไหมยูซุปท่านคือยูซุปเหรอนบิวุสุปบอกใช่ฉันเนี่ยแหละยูซุปนี่คือน้องชายของฉันอ่ะนี่คือเขาเรียกอะไรนะฮะนบิยูซุปช่วยเหลือพี่ๆหรือฟังเสียงพี่ๆแม้ว่าท่านจะเคยถูกละเลยหรือไม่ได้รับการฟังเสียงมาก่อนนี่ครั้งนึงนะและนิสัยเนบิยูซุปเนี่ยไม่ได้เพิ่งมาเกิดตอนนี้ก่อนหน้านี้นี่ก็เคยครั้งไหนครับ ช่วงที่ท่านอยู่ในคุกท่านทำนายฝันให้คนสองคนคนหนึ่งเนี่ยถูกทั้งสองคนนะฮะถูกประหารชีวิตอีกคนหนึ่งเนี่ยกลับไปหากษัตริย์ก่อนที่คนที่รอดพ้นเนี่ยจะกลับไปหากษัตริย์เกรดน บ, บิซุปก็เลยฝากศารไปบอกว่าไปบอกกับเจ้านายของท่านเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยถูกกล่าวหานะฉันบริสุทธิ์นะได้ไปช่วยไปบอกเรื่องนี้ให้กษัตริย์ได้ฟังหน่อยแต่ปรากฏว่าฟันซาหุชัยตอนอุดิครอบบีชัยตอนทํบบาทให้เขาลืม ไฟบีสะฟิ ส, น, ส น, นีบียินิตในบุปเอยู่ในคุกอีกประมาณเกือบ10ปีดูนะเขาลืมไปเลยนะฮะว่าใน บ, บียูซุปในฝากเรื่องทั้งทังที่ในบียูซุปเพิ่งช่วยเหลือเขามาแบบแบบแบบทำลายฝันให้แล้วเขารอดลืมไปเลยแต่มีเื่อได้ตอนไหนฮะอะตอนที่กษัตริย์ในฝันว่ากาเลนมลิกุอินนีอรอซบะอะบกอรตินซิมานยะกูลหฮุนซบุนไจาบ กริย์ฝันเห็นวัวอ้วนเจ็ดตัววัวผอมเจ็ตัวไปกินวัวอ้วนรือรวงข้าวเต็มรวงเนี่ยเจ็ดรวงอีกเจ็ดรวงเนี่ยเป็นแห้งซังแล้วก็ไปกินเจ็ดรวงนั้นแล้วก็บอกว่าเ อ, อ้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยช่วยทํำลายฝันนี้หน่อยสิผู้คนบอกว่าพวกเราไม่รู้ทํำลายไม่ถูกไม่เป็นชายคนนั้นที่อยู่ใกล้ชิดกับกษัตริย์ที่เคยอยู่กับนบียูซุปเป็นไงฮะบอกอ๋อฉันนึกออกแล้วฉันรู้จักยูซุปเพิพ่งมารู้จักตอนมีปัญหาเห็นไหมฮะนี่เนี่นบียูซุปนี่คือเป็นคนที่แบบว่า คยแก้ปัญหาเวลาเวลาไม่มีปัญหาเนี่ยคนไม่รู้ไม่นึกไม่ไม่นึกถึงนาบยบซุปเวลามีความสุขมีอะไรแต่เวลามีปัญหาม่มีใครแก้ได้โอ้ฉันจําได้แล้วยูซุปไงไปหายูซุปดีกว่าเนี่ยแหละฮประเด็นคือพอเวลาพวกเขาเนี่ยไปหานาบยบซุปแล้วอะเวลาพวกเขาเนี่ยไปหานาบยบซุปแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้ อ่าบอกอะไรเนยูซุฟอายุหัิบดิก็บอกยูซุฟเอ้ยโอ้คนที่สัจจริงพูดจริงชมนบียูซุฟนะฮะใครครับคนที่ชมนี่คนที่ลืมนบียูซุฟเป็นเกือบสิปีเพิ่งมานึกได้ตอนกษัตริย์มาฝันบอยูซุฟเอ้ยอัสตีนาฟีซาเบบอช่วยทํานายฝันให้หน่อยอลังการกัวลมากถ้าไม ถ, ถ้าไม่นอนเป็นนบียูซุฟยังไงฮะโอ้โหยนี่เพิ่งนึกถึงฉันได้วันนี้นะนึกออกไหมฮะ ใน บ, บียูซุพี่น้องดูบุคลิกแบบนี้นะฮะสุดยอดใน บ, บียูซุพไม่บอกอวันนี้วันนี้จะนึกถึงถึงชั้นแล้วหรอไม่พี่น้องดูน บ, บียูซุพยังไงฮะก็หละทันทีเวลาเขาบอกว่าช่วยทำนายฝันให้หน่อยฉันจะได้กลับไปหาผู้คนหวังว่าพวกเขาจะได้รู้ว่ามันคืออะไรกันแนะ่ความฝันของกษัตริย์มันคืออะไรมันต้องมีความหมายที่ยิ่งใหญ่แน่นอนก็และตาสราอูนะซาบะซินีนะดะบะน บ, บียูซุ แก้ปัญหาให้ทันทีเวลาที่คนต้องการให้ท่านนยแก้ปัญหาท่านไม่บอกว่าเออไม่ไม่พูดถึงเรื่องส่วนตัวเลยนะฮะแก้ปัญหาให้ทันทีนี่คือบุคลิกของใครครับคนไม่เอาคืนเนี่ยจุดนี้สําคัญมากแล้วคือบอกกับพี่น้องว่านมีซุปไม่ใช่ว่าฟุกครั้งเดียวนะฮะไม่ใช่ประกับพี่น้องอย่างเดียวนะฮะกับคนอื่นก็เช่นเดียวกันไม่เอาคืนแล้วให้ประโยชน์ทันทีอ่อใช่ได้ฉันแก้ปัญหาให้เลยทันทีนี่คือบุคลิกสําคัญที่ผมว่าเราจําเป็นที่จะต้อง ถอดบทเรียนมา น, นี่บุคลิกของคนสำคัญคนใหญ่ฮนะไม่คิดอะไรเล็กน้อยเดี๋ยวลูนแต่มีสุปเปคิดน้อยก็ได้บอกว่าโอ้โ ห, โโหโน้อยใจแต่านอับดยูซุฟคิดน้อยใจนะฮะก็ท่านก็จะไม่ได้ออกมาหมายถึงว่าท่านไม่คิดอย่างนี้อยู่แล้วดังนั้นกำลังจะบอกว่าบางทีคนยิ่งใหญ่เนะี่ยเขามองข้ามอะไรเล็กๆไปอับดุยูซุฟเนี่ยถ้าไปเอาอะไรกับพี่ๆนะบอกว่าพี่ๆคิดเล็กคิดน้อยเนี่ยมันก็จะไม่มีความสุขด้วยกันทั้งคู่นับดุลเลาะห์อับดุ ท่านนบีซุปไปเอาอะไรกับคนที่ออกไปแล้วก็ลืมท่านนบีซุปนะออกจากเรือนจาไปนะฮะนบีซุปบอกอวันนี้ฉันจะบอกท่านแล้วไม่มีทางวันก่อนยังลืมที่ฉันอ่าแต่นบีซุปบอกและการบอกในครั้งนี้การไม่คิดและคิดน้อยทําให้ท่านเป็นคนที่ยิ่งใหญ่กษระสักเชิญตัวเลยนะแต่นบีซุปก็ไม่ออกทําไมฮะบอกให้เคลียร์คดีก่อนนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นชาวเราจะเป็นศึกษากันอีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงจุดตรงนั้นนะครับอ่ะหลังจากที่ฟาร์มมาตาฮบูบี วางแผนแล้วก็โยนตัวนบียูซุฟเนี่ยลงไปในบาะเรียบร้อยแล้วเอาล้ Allah อยู่ด้วยตลอดทุกช็อตนะฮะทุกเรื่องเอาล้อยู่กับนบียูซุฟตลอดและเราก็ปลอบใจว่าเอาให้นาอิัยฮีวะฮีให้กับยูซุฟขณะนั้นและทูนับบีอันนาหุมบีอัมริหิมฮาระเจ้าจะบอกกับพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาทําวันนี้อย่างแน่นอนวะหุมไลอ์ชารูนโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่รู้ตัว ซึ่งสิ่งที่นายูซุบบอกก็คือสิ่งที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ฮัลอาลิมตุมมาฟะอันตุมบิวซุฟฟะวะฮีฮีอินอันตุมในี่คือประโยคที่นายูซุบบอกกับพี่ๆโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวไม่รู้อะไรไม่รู้ว่านี่คือยูซุฟไม่รู้ตัวลืมไปแล้วว่าตัวเองเคยทําอะไรกับยูซุฟอะยอิสลามไปนะฮะนี่คือจุดที่ผมว่าเป็นบริเวณสาคัญบางทีเอออาจจะถูกบททดสอบอะไรต่างๆนะครับแต่เรื่องราวนาบิซุบเนี่ย ตัวท่านเองเนี่ยอยู่กับอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และุห์ตาตลอดอัลลอฮ์วาฮีมาให้แะเราบอกเออเวลาเราประสบปัญหาเนี่ยได้ไหนวาฮีเราไม่ได้เป็นนบีเนี่ยถูกไหมฮะแล้วและเราจะมีวาฮีเหมือนกับนบี๊ซุบได้ยังไงเราก็เศ้าอยู่คนเดียวไม่ฮะเรามีกุตตาเปิดกุตาอานอ่านแล้วเราจะรู้ว่าเมสเซจที่อัลลอฮ์ให้กับเรามานั่นแหละครับคือวาฮีที่ให้กับเราโดยตรงแล้วพี่น้องไปลองได้เลยนะฮะสมมติว่ามีปัญหาอะไรก็ตาม เปกุฎอานก็จะเจอว่าอัลลอฮ์กำลังบอกเราว่าปัญหาที่กําลังประสบอยู่เนี่ยคือ ว, วอาฮีอัลฮัยนาอิไลและเป็นเมสเซจที่เราจะเห็นว่าเออมันคือสารที่ถูกส่งมาให้กับเราโดยตรงไม่ใช่กับคนทั่วไปเท่านั้นแต่อัลลอฮ์กำลังสนทนากับเราโดยตรงนี่คือความอัศจรรย์ของอันกุฎอ่านนะครับวาจาอูอบาฮุมอิชะไอยาบกูและพวกเขาเนี่ยก็กลับมากับบ้านไปหาพ่อของพวกเขาในช่วงเวล า, าไหนอชะ นักประวัติศาสตร์เขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยจับนา บ, บีซุบยวนไปตอนต้นนะฮะแต่รอจนถึงเย็นให้พ่อแบบว่าตายใจบอกว่าเออพวกเราเนี่ยได้หายูซุบแล้วไม่เจอจริงๆกลับมาในช่วงเวลากลางคืนเยอบกูลร้องไห้ด้วยอะแสดงว่าการแสดงละครกับบทบาทต่างๆสมมุติต่างๆเป็นไปได้นี่ใครครับเนี่ยบันิอิสราเอลพี่น้องเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกนี้มันก็ไม่แปลกไงอย่างตึกวอร์เทนอย่างอะไรต่างๆไม่แปลกเยอบกูลร้องไห้ มีการเสียใจมีการบอกว่าเุ้ยใครเป็นคนทำเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่เฉพาะในเรื่องนบียูซุฟนะถ้าเราศึกษาอย่างดีเนี่ยในสุรบกกรอ <c oughs> ชื่อบกกรอเองบกกรอเนี่คือวัวใช่ไหมฮะที่นบีมูซาสั่งให้บันิอิสราอินเชื่อทําไมถึงเชื่อดก็เพราะมีบันิอิสราอินด้วยกันเนี่ยฆ่าลุงของเขาหวังทรัพย์สินหรือหวังจะแต่งงานกับลูกสาวซึ่งเขาไม่ยอมให้ลุงไม่ยอมให้พ่อหลานฆ่าลุงแล้ว เกิดอะไรขึ้นตีโพยตีพา ย, พยใครฆ่าลุงฉันนึกออกไหม น, นี่นักตับซีเขาพูดนะใครฆ่าลุงฉันแล้วก็บอกว่าเออไม่เป็นไรพวกเรามีมูซาอยู่ให้มูซาช่วยช่วยคลี่ไข้ปัญหานี้พรอไปหานาบับดมูซาอะอะไรนะไว้ที่กาลมมูซาลีกอมีอินนัลลอฮัยะมุรุคุมอันตัซบะฮูบะกราจงนรมึกขณะที่มูซาเกล่าวกับกลุ่มชนของเขาเนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์บัญชาให้พวกท่านเชื่อวัว ก็รู้อัตตะฮิซูน่าฮวท่านจะเล่นกับพวกเราเหรอหมายถึงว่าพวกเขาถามว่าเออใครเป็นคนฆ่าให้ให้ขอตัวต่อร้อยหน่อยจะได้รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าแต่เน บ, บูซาบอกอัลลอฮ์ใช้ให้พวกท่านเชื่อทัวเอ้ามันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยฉันกำลังถามพวกเรากำลังถามว่าใครเป็นคนฆ่าคนนี้แต่ท่านกลับมาบอกให้เราเชื่อทัวอะคือเนี่ยก็เป็นให้มาขอ เ, าเหมือนกันคือพวกท่าน เชื่อไหมว่ามูซาเป็นรูกศิษของอัลลอฮ์และเชื่อไหมว่าอัลลอฮ์สั่งอะไรแล้วย่อมมีเหตุผลมีฮิกม้าอยู่ถ้าเชื่อนี่ก็คือปฏิบัติตามในมูวซาบอกอูสบิลลาฮันอากูนามินันชาฮิลิมขอความครองต่อการที่ฉันจะเป็นคนง้อเขา่าซึ่งสุดท้ายแล้วของเรื่องนี้ก็คือเอากระดูกของวัวซึ่งเป็นวัวที่เขาถามมากมายกว่าจะได้เชื่อตนะฮะเอามาตีที่ชายคนที่เสียชีวิตแล้วเขาฟื้นขึ้นมาแล้วมาบอกว่าไอ้เนี่ยหลานฉันเนี่ยเป็นคนฆ่า มันเป็นสัญญาณอื่นๆสัญญาณในการฟื้นคืนชีพและสัญญาณที่เป็นการบ่งบอกว่าการแสดงละครอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากบันิอิสรอลเหมือนกเหมือนกับที่พวกเขาในมานีรู้ลุงนบียะคุบะเลสล า, สลามนั้สนสะช่ไต้นตระกูลของบันิอิสรสญญาเอลแสดงละครได้หมายถึงว่าแสดงละคร อ, ออกมาว่าทั้งนั้นที่มันไม่ได้เป็นจริงแบบนั้นวะจาอูอาบาฮุมอิชาไอยาบุคุร้องไห้มาก็รู้แล้วก็บอกว่ายาอาบานาคุณพ่อครับ อินนาตาฮบานาสตาบิควัตโรคนาอูซุฟพวกเราเนี่ยออกไปข้างนอกกันแข่งกันวิ่งแข่งกันแล้วปล่อยอูซุฟไว้ที่มาตาอินาที่สะเบียงฟะอักระหุดซิบแล้วหมาป่าก็มากินเข้าไปเห็นไหมก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพ่อบอกว่าลายฮะซุนนี่ว่าข้อฟูอิยะกูละหุดซิบ ฉันกลัวว่าหมาป่าจะมากินเขาเขาเลยเอามาเป็นเหตุผลในการอ้างอันนี้คือเขาเรียกว่าชี้พรงให้กระอบนบียูกุ๊กก็ไม่รู้ว่าลูกๆจะเอาเหตุผลนี้มาใช้เพื่อที่จะเป็นข้ออ้างในการนํายูซุฟไปทิ้งกลางป่าก็เลยบอกว่าว่าอั卡尔หุฟอั卡尔หุฟิบ่หมาป่าก็เลยมากินไปว่ามาอันตะบิมุมินิลลาท่านจะไม่เชื่อเราแม้ว่าเราจะเป็นวะเรากุล น, นาซอญีกีน จะเป็นผู้พูดจริงอย่างนั้นหรื อ, อ น, นี้เวลาพูดเยอะๆเนี่ยก็ อ, กอะไรกเลยฮะคือต้องทำให้คุณพ่อเนี่ยเชื่อให้ได้ร้องไห้ก็แล้วให้เหตุผลก็แล้วมีอะไรฮะยกหลักฐานเท็จ <c oughs> และน่าจะเป็นอายัสุดท้ายที่เราจะศึกษากันในวันนี้นะครับยที่ 18. ว่าจาอูแล้วพวกเขาก็นำมาอลากอมีซิฮีนำเสื้อนบียูซุฟมานำอะไรมาฮะ บิดามินกซิบนำเสื้อที่ติดเลือดเราใช้คำว่าบิดามินกซิบเลือดที่โกหกไม่ใช่เลือดที่โกหกเลือดโกหกไม่ใช่เลือดที่โกหกนะเลือดตัวเลือดในโกหกเลยไม่ใช่เลือดที่โกหกก็แหละเลือดปลอมติดอยู่ก็แหละบันเาวาละกลุมอัมฟุสุกุมอัมรอในบียคุบก็บอกว่าไม่หรอกนั่นคือสิ่งที่พวกเจ้าแต่งเรื่องขึ้นทาไมฮะ นบีทุกท่านเคยเลี้ยงแพะเคยเลี้ยงแกะแล้วถามว่าท่านจะไม่รู้หรือว่านั่นคือเลือดของแพ้อันนี้คือเขาเอาเลือดของแพะเนี่ยเอามาบิลเมินเกนซิปเอาเลือดแพมาชโลมแล้วนบีอูซุปเอนบีกรุปเนี่ยคือไม่ใช่คนโง่ะนะฮะท่านฉลาดและก็รู้ทันลูกๆจะไม่รู้ได้ไง <c oughs> คนเลี้ยงแพะครับ <c oughs> ผมเคยเจอคนที่เขาเอ่อมีอาชีพเลี้ยงวัวเชื้อแพ้อะไรเขารู้ละเอียด ดูว่ส่วนไหนกินอร่อยเชือดยังไงทำยังไงไม่ให้มีกลิ่นนะคือเขารู้แบบโปรเฟชชั่นแนลเลยนะฮะก็คือแบบมืออาชีพและจะไม่รู้หรอนี่ลูกลูกลูกด้วยแล้วก็นำเลือดที่โกหกมาแล้วบอกว่านี่เป็นเลือดของยูซุฟแล้วเสื้อพ่อเนรู้แน่นอนว่าเสื้อนี้เนี่ยไม่ได้เสื้อที่ถูกหมาป่า ก, กินทำไมอะฮะ ถ้าเสื้อที่ถูกหมาป่ากินมันก็ต้องขาดแต่นี่เสื้อมาบริสุทธิ์เสื้อมาแบบว่าเหมือนกับเออเวลาคนแสดงละครไม่เนียนใช่ไหมฮะมันก็จะเห็นไอ้ทำไมมันพึ่งสู้กันมาแล้วทําไมมัน <c oughs> ไม่เห็นเปื้อนฝุ่นเลยว่าไงหยูเขาแสดงละครนี่แบบว่าโกหกนะฮะบอกว่าเนี่ยยูซุปถูกหมาป่า ก, กินไม่เชื่อเหรอไม่เชื่ อ, อุ๊บนี่เอาหลักฐานมาคือการโกรหกเขามีคําพูดในหมู่ว่า การโกหกครั้งหนึ่งเนี่ยจะทําให้ต้องโกหกอีกนะับร้อยนะับพันครั้งเพราะอะไรครับเพราะความจริงไม่เคยโกหกแวดล้อมพี่น้องดูนะฮะสิ่งที่จะโกหกได้ในโลกนี้เนี่ยก็มีมนุษย์อยู่แล้ ว, ท, <c oughs> ท, ท, ว ท, ออทําไมศาสตร์ทางนิติเวชอย่างหมอพรทิพย์ที่เขาพิสูจน์ทางนิติวิยทยาศาสตร์นะทําไมเขาถึงเชื่อกันจริงๆแล้วเนี่ยหลักการก็ไม่ถึงหลักการ พื้นฐานเนี่ยมาจากในสุรนี้มาจากอายานี้บิทามินก็คือมันโกหกมันไม่สามารถจะเมคขึ้นมาได้ปั้นแต่งยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยคือธรรมชาติไม่โกหกก็โกหกองเดียคือมนุษย์นึกออกไหมฮะคือเราจะโกงกยังไงจัดฉายัางไงมันก็มันจะไม่โกหกอะมันจะโกหกไม่ได้มันจะทําไม่ได้อย่าง <c oughs> รอยนิ้วมือการสัมผัส รอยกระสุนอย่างพ่อตำรวจเนี่ยเขาบอกนะฮะเวลายิงเนี่ยเขารู้เลยยิงจากฝั่งไหนสมมุติว่ามีคดีฆาตกรรมนะฮะเพราะอะไรฮะรู้ว่ายิงบางทีมันทะลุจากข้างหน้าไปข้างหลังไงเขาบอกว่าจุดที่กระสุนมันออกเนี่ยมันจะใหญ่กว่าจุดที่กระสุนเข้าอันนี้เป็นแบบเป็นวิชาเป็นอะไรละเอียดเลยนะฮะคนสืบสวนๆเนี่ยเขาจะรู้ถ้าไมะฮะเพราะเวลาที่กระสุนมันมาตอนเข้ามันเร็วถูกไหมฮะ เวลาเร็วเนี่ยมันก็ทำให้ผ่านไปแบบเร็วรูมันก็เล็กๆกว่าแต่เมื่อถูกมวลของคนเนี่ยมันกั้นมันก็ทำให้เกิดความช้าเวลามันออกมันช้ากว่าตอนเข้าดังนั้นไอตอนเข้ามันเลยรูเล็กกว่าตอนออกเนี่ยดังนั้นเนี่ยตัววิทยาศาสตร์มันไม่โกหกแวดล้อมเนี่ยไม่โกหกแต่พวกเขาในนามาในสิ่งที่โกหกิามินกัซิแล้วีมียามียัคูแน่นอนรู้อันนี้เป็นลูก รู้พวกเขาเนี่ยมีประวัติอย่างไรอิจฉาน้องๆ น, น้องเขาอย่างไรรู้ว่าแพเป็นอย่างไรรู้ว่าเวลาหมาป่ามันจะกินมันจะกินแบบนี้ฮะดังนั้นเนี่ยมันโกหกไม่ได้เอาสภาพแวดล้อมมาโกหกไม่ได้ก็เลยบอกว่าพวกเจ้าเนี่ยแต่งเรื่องขึ้นมา <c oughs> นั้นเลยบีซุฟทำไงฮะฟาซอบรุญจามีนอดทนอย่างดีแล้วก็บอกว่าวะฮุลมุสตาอานอัลมาตเตศฟูนอัลลอ์เป็นผู้ช่วยเหลือในสิ่งที่พวกเจ้าเนี่ยพูดกัน หรือพวกเจ้ากล่าวอ้าวกันขอมอบความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์หรือขออัลลอฮ์เป็นผู้ประทานความช่วยเหลือนี่คือสิ่งที่นบียะกรุปอาลัยสุลามสันท่านนี่เป็นเป็นคนที่อดทนมากนะคือชอบอดอดทนอย่างดีเนี่ยนี่คือจุดที่นบียะกรุปทาเป็นแบบอย่างอีกเรื่องนึงคือการอดทนไม่ได้อดทน ม, มีคนอดทนแบบไม่ดีก็มีอดทนแบบบ่นด้วยอดทนหรือว่าอดทนแบบไม่ดีอะฮะแสดงความไม่พอใจแต่นบียะกรุป อดทนอย่าฟาซบารุนจะมีอดทนอย่างดีในเมื่อต้องอดทนแล้วเนี่ยก็อดทนแบบนบียูซุฟอะสฟบิรซาบารุนจมีลไอเหมือนนบียะุบนะฮะและมอบความช่วยเหลือให้กับอัลลอฮฺสุบหฮานอหัวตาละนะครับนี่ก็คื อ, อ, อบทเรียนส่วนหนึ่งนะครับที่ได้จากเรื่องราวของนบียูซุฟอะสนนบียุบคือเรื่องราวเนี่ยในเรื่องของนบียูซุฟนะครับประวัติของท่านในสุรยูซุฟเนี่ยเราจะศึกษากันแบบว่า สองมุมไปพร้อมๆกันคือการแสดงบทบาทของนบีอะกูบคุณพ่อและก็ตัวนบีอูซุบด้วยเพราะสองท่านนี้เนี่ยอร่อยให้เป็นนบีและเป็นตระกูลของนบีดังนั้นเนี่ยคือบทเรียนเต็มๆนะฮะที่เราได้รับในมุมของครอบครัวเนี่ยบอกว่าได้เหมือนกันในมุมของพี่น้องได้ในมุมของการผรชญภัยของตัวนบีอูซุปกับวัยรุ่นวัยรุ่นในช่วงที่หนุ่มสาวมีบทเรียนบทเรียนของนักปกครองนักการเงินนักเศรษฐศาสตร์มีทั้งหมดดังนั้นเนี่ย น่าสนใจมากนะครับชอลล์เราจะมาศึกษากันในครั้งต่อไปในอายะที่19เป็นต้นไปนะครับชอลล์วันนี้ก็คงสิ้นสุดการพูดคุยนเพนอนชอลล์พี่น้องมีคำถามก็ยินดีนะครับโซลเราคนนั้นอับดุลเบญามุฮัมมัดวะล่ะอะลีฮิอัลลอสามลลัยลอวะซัลมุลลอฮิวะบรากาตุ